ในโลกก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายระสาประสายไปตามประสาโลกแต่ถ้าอยู่เหนือโลกก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องตรงกันข้ามคือสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นเต็มไปด้วยสติปัญญา